นี่อาจารย์ไม่อะไรจะถามหรือเปล่ามีความสงสัยครับเวลาฟังทำอะไรก็คือไอ้ที่ว่าจิตหลวมครัท่านอาจารย์ทาไมในพระพุทธประวัตอนพระนรินทร์ตอนนี้ท่านจะบรรลุออนี้เหรอท่านจะจะเอ็นกายท่านจะลงอืมแล้วก็จิตหลวมพอจิตลงแล้วท่านก็บรรลุเอ แล้วทําไมมันไปเกี่ยวอะไรกับจิตรวมแล้วมันแล้วทําไมบรรลุแล้วทําไมต้องจิตด้วยมั้งครันรรลุจิตไม่รวมมันได้ครับถ้าบรรลุมันก็รวมเพราะมันเวลามันมันรวมมันปล่อยเรื่องที่มันกําลังไปผูกพันอยู่เรื่องที่ผูกพันอยู่ทําให้มันติดทําให้มันมันไม่หลุด พอมันปล่อยมันก็หลุดหลุดมันก็รวมฟังยากไม่เข้าใจมันมาถึงอัปปนาสมาธิอ่ะครับคือมันเป็นสมาธิที่เกิดจากปัญญาปัญญาที่เห็นว่ากำลังทุกอยู่กับเรื่องนั่นเรื่องกับความอยากอยากจะบรรลุติดก็เลยภาวะผวาโอนอยู่กับ อดีตที่คือคำทานายของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงทานายว่าจะบรรลุภายในสามเดือนแล้วนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของสามเดือนก็ยังไม่บรรลุใกล้จะสว่างแล้พยายามเพียรเต็มที่แล้วก็ใจก็อยู่ระหว่างอดีตกรรอนาคตอนาคตก็คือสามเดือนใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมง ใหญ่ก็เลายพาวพะภาวนไปอดีตไปอนาคตคิดถึงคำทำนายแล้วก็มองถึงเวลาที่มันจะหมดแทนที่จะมาพิจารณาตัวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจในขณะนั้นตัวนั้นก็คือความอยากอยากบรรลุพอใกล้จะถึงเวลาสว่างก็ใกลว่าปลงซะนะไม่บรรลุนแน่นะ ตอนนี้ก็เลยไม่กี่ชั่วโมงอะไรปัญญาก็พิจารณาแล้วทุกอย่างอะไรก็พิจารณาหมดแล้วแต่จิตมันก็ยังไม่ดลุดไม่ปล่อยมันยังกังขาอยู่มันยัยงทุกอยู่ยังไม่สบายใจอยู Guru ่ก็เลยตัดสินใจว่านอนดีกว่าเหนื่อยในขณะที่กําลังจะเอ็นหลังเอ็นตัวลงนอน อยื่ในระหว่างท่านั่งกับท่าจะนอนนี้ตอนนั้นจิตก็ปล่อยหมดปล่อยความอยากที่จะบรรลุพอจิตปล่อยปั๊บความอยากดับไปปั๊บหยุดความอยากได้ความทุกข์ความกังวลใจที่เกิดจากความไม่ได้บรรลุนี่ก็ดับไปจิตก็เลยจิตก็เลยเข้าสู่ความสงบได้รวมได้ก็เลย รวมเพาะว่าจิตปล่อยปล่อยความอยากที่จะบรรลุก็เลยบรรลุอันนั้นจะเป็นทำขั้นสุดท้ายแล้วการบรรลุแต่ละขั้นมันก็เป็นลักษณะเดียวกันมันพอมันปล่อยอะไรจิตมันก็จะสงบอย่างขั้นพระโสดาบานเนี่ยปล่อยความตายไปไปเจอความตายแล้วก็จิตก็กลัว จิตก็อยากอยู่ไม่อยากตายพอพิจารณาเห็นว่ากำลังทุกข์กำลังวุ่นวายกับความกลัวตายก็พิจารณาดูว่าเราร่างกายนี้มันจะตายหรือไม่ตายมันก็ต้องตายสักวันหนึ่งนะไม่วันนี้มันก็ต้องวันวันข้างหน้าต้องมีเวลาาดเวลาหนึ่งที่มันต้องตายถ้าตอนนี้มันจะต้องตายก็ยอมตายเสียยอมรับความจริงว่ามันต้องตาย ก็รหยุดความอยากอยู่หยุดความอยากไม่ตายได้พอหยุดได้จิตก็ปล่อยร่างกายจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบอันนั้นก็ขั้นหนึ่งแต่และปัญหามันจะพอปล่อยได้แล้วจิตมันก็จะสงบเหมือนคนมีปัญหากับครอบครัวยพอคุณปลงได้อะอะไรจะเกิดก็เกิดปับคุณปล่อยปั๊บคุณก็สบายใจขึ้นมา เป็นลูกจะไปมีผัวที่เราไม่ชอบแม้มันมีแต่มันจะไปห้ามมันไม่ได้ไม่อยากให้มันไปก็เครียดเพราะรู้ว่าผัวคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างนั้นแต่มันหลงมันรักมันชอบของมันแล้วมันยังไงก็จะไปมันไม่เราไม่ให้มันไปเดี๋ยวมันก็หนีไปพอเราปกได้ว่ามันจะไปก็ไปห้ามมันไม่ได้ เราก็หายทุกข์กับมันจิตก็สงมบเหมือนกันก็รวมเหมือนกันเพีงแต่รวมน้อยกว่าเพราะว่าปัญหามันไม่หนักเท่ากับปัญหาเรื่องของชีวิตของเราอชีวิตของคนอื่นมันเราทุกข์ก็จริงแต่มันไม่ทุกข์มากกับเท่ากับปัญหาชีวิตของเรามันรวมเข้าไปไม่ลึกเท่ากับเวลาที่เราปล่อยร่างกายของเราปล่อยเวทนา เวลาร่างกายเจ็บปวดยังไงก็ปล่อยมันให้มันปวดไปไม่มีความอยากให้มันหายไม่มีความอยากจะหนีจากมันปล่อยอยู่เฉยๆยอมเพราะว่ารู้ว่ามันห้ามมันไม่ได้ดับมันไม่ได้ไม่อยากให้มันหายไปอยากให้มันดับก็เครียดก็ทุกข์ขึ้นมาพอยอมปล่อยยอมอยู่กับมันไปปั๊บจิตมันก็สงบไม่ไม่ทุกข์กับ ความเจ็บของร่างกายความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายความทุกข์มมีสองชั้นความทุกข์กายกับความทุกข์ใจเวลาเจ็บไายได้ป่วยนี่มันเกิดขึ้นทั้งสองตัวแต่คนที่มีปัญญามีสมาธินี้สามารถที่จะดับตัวที่อยู่ข้างในได้คือใจความทุกข์ใจได้ด้วยการยื้นด้วยการปล่อยวางความทุกข์ร่างกาย ไวให้ร่างกายเจ็บไปไม่มีความอยากให้มันหายไม่มีความอยากจะหนีจากมันไปอยู่กับมันไปอยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไปด้วยกำลังของสมาธิด้วยด้วยด้วยกำลังของปัญญาที่เห็นว่าอยากเรายิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่รุนแรงกว่าความทุกข์ที่เกิดจาก ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปใจก็สงบเหมือนเข้าไปในสมาธิใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายพระอาหารหันต์พระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ถ้าไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายกัน เองแต่พระโสดามันยังละส่วนอื่นก็ไม่ได้ส่วนที่ต้องละขั้นต่อไปก็การมารมการมาราคะความอยากจะเสพร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเพราะยังไปเห็นร่างกายของผู้อื่นว่าสวยงามน่ารักรูปหลอ่อเห็นแล้วก็อยากจะได้มาเป็นแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกันก็ต้องหมั่นซอนใจให้มองให้เห็นนู้น ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเห็นว่าเห็นอวัยว่าต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเผิวหน้านี้ภายใต้ผิวหน้าเนีก็มีกระโหลกศรีรษะเนถ้าเห็นกระโหลกศรีรษะมันก็มันก็จะหายหลงการอารมณมันก็จะดับไปเรืเห็นครงกระดูกของร่างเนี่ยของคนที่น่ารักหน้าดูเนี่ย พอเห็นครงกระดูกม <Snow> so ันอยู่ภายใต้ผิวหนังนี้เองร่างกายนี้ถ้าไม่มีครงกระดูกมันก็กลายเป็นแมงกะพุนไปใช่ไหมมันจะตั้งอยู่นั่งอยู่นี้ไม่ได้หรอกที่มันนั่งอยู่นี้ได้เพราะครงกระดูกเองโครงกระดูกเป็นเหมือนโครงสร้างของร่างกายที่ทําให้ร่างกายมันมีรูปมีร่างถ้าเอาคงเอาครงกระดูกออกจากร่างกายไปนี่มันร่างกายมันก็กลายเป็นแมงกะพุนนะใช่ไหม <c oughs> คือหาวิธีดูให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายมันมีหลากหลายวิธีบางคนก็ดูอวัยวะต่างๆเช่นไปดูเข้าผ่าศพแล้วก็จดจำภาพของอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายมีลำไส้มีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมี สมองอะไรพวกนี้มีเลือดมีอะไรถ้ามันนึกถึงภาพเหล่านี้ได้มันก็จะไม่เกิดกา ร, ารอาลมเพราะงันคนที่อยากจะดับการมลลมนี้ต้องนึกถึงภาพเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ เ, เขาเรียกวิจณาอสุภะจนไม่ลืมเวลาเห็นใครปั๊บนี่เห็นอสุภะของเขาทันทีอย่างนี้เวลาเกิดการมลลมมันก็จะดับได้ทันที ถ้าเห็นเป็นบางครัง้งบางคราวเวลาเกิดการอารมณ์บางทีมันนึกไม่นึกไม่ออกมันก็สู้ไม่ได้ดับการอารมณ์ไม่ได้มันก็ต้องไปดับการมลมด้วยการไปร่วมหลับนอนกับเขาซึ่งเป็นวิธีที่จะสร้างการอารมณ์ใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าดับการมลมด้วยอภาพอสุภานี้มันจะทามันจะไม่สร้างการอารมณ์ใหม่ เวลาเกิดการมารมใหม่มันก็ใช้ใชวิธีดับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่เกิดอันนี้ก็บรรลุเป็นขั้นสองขั้นที่สองสกิดาคามีกับอนาคามีปัญหาอันเดียวกันสกิดาคามีนี่ท่านละได้ครึ่งหนึ่งทำให้เบาบางลงบางเวลาก็ เผลอบางเวลาก็ไม่เผลอบางบางเวลาก็ลืมบางเวลาก็ไม่ลืมเวลาเกิดอาการอารมณ์ถ้าไม่ลืมมันก็ดับไปถ้าเกิดแล้วลืมมันก็ไม่ดับแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี่ดับทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเพราะทันมียามีน้ามาดับไปทันทุกทุกทุกเวลานาทีมันจะเผลึ้นมาเมื่อไหร่ก็ สุภาก็โผลขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ก็จะตัดปัญหาเรื่องของร่างกายไปแล้พร า, าริยะบุคคลขั้นที่สามนี้ก็จะไม่มีปัญหากับร่างกายต่อไปไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความตายเ ร, เรื่องของความรักความคข้ของร่างกายของผู้อื่นท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมา ม, มามีร่างกายเพราะไม่จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขต่างๆแต่ท่านก็ยังมีกิลเลสนนองเหลืออยู่ภายในจิตตัวอวิชชาตัวมานะตัวอัตาตาตัวตนยังมีอยู่ในจิตเดียวก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าตัวจิตจริงๆนี่มันเป็นอะไรกันนะ่ก็พิจารณาไปก็เห็นตอนที่จิตสงบ หยุดคิดหยุดคิ ด, ด, ด, ดปรงแต่งอยู่ในสมาธิมันก็เป็นตัวรู้เฉยๆพอออกจากสมาธิมามันก็เริ่มคิดเริ่มจํามันก็คิดถึงตัวตนอชื่อนั้นชื่อนี้ตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ออันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของสมมุติที่เราไปรับมาจากภายนอกเกิดมาในครอบครัวนี้เขามีนามสกุลนี้มีฐานะนี้เราก็คิดว่าเราเป็น ฐานะนี้เกิดมาครอบครหนึ่งมีฐานะหนึ่งมันก็มันก็เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นแม้กระทั่งความคิดว่าตัวเรานี่มันก็เป็นแค่ความคิดใช่ไหมถ้าเราหยุดคิดมันก็หายไปใช่ไหมให้รู้ทันตัวนี้ เวลาที่มันจะมาถือตัวปั๊บมันก็ใช้ปัญญาบอกว่าไม่ต้องไปถือหรอกมึงเป็นแค่ตัวรู้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปอวดเบ่งอวดเก่งไม่ต้องไปอคล้ายๆว่าไปเอา ต, ตัวตนออกไปยันกันเนีะมันไม่มีอืเป็นความหลงที่พาใหยเราเอา ต, ตัวตนออกไปยันกันกูเป็นตำรวจไห ม, ก, นหนไหมกูเป็นนู่นไหมกูเป็นนี่มเี่ย อางทีมันเป็นแค่ตัวรู้แล้วถูกตัวสังขารความคิดปรุงแต่งมันหลอกไปนะั่นเองหลอกให้หลงตามว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วมันก็ไปทุกข์กับตัว ต, วตวนนี่เวลาใครเขาเ อ, อไม่ให้ อ, อความเคารพเราก็โกรธเขาเสียใจอะไรทั้งนองเวลาใครดูถูกดูแคลนก็เสีย อ, อกเสียใจ มันก็จะตัดไปเรื่อยๆท่านอาจารย์ในเวลาเราเราพิจารณาไปไแล้ครับคือพิจารณาตั้งแตแ่คือพิจารณาหมดครับพิจารณาสภาพหลอกดาเล่ดาด่าพิจารณาตัวเราเนีนะคือเราต้องเอาเทีลตัวนี้กว่าคือตัวไหนที่เราติดอยู่เอาตัวนั้นก่อนเอาวที่ด อ่าตอนที่ไม่ติดแม้นมันไม่มันไม่แม่ไม่เป็นปัญหาแล้คือพอพิจารณาแล้วก็ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นจริ ง, จ ร, งจริงหมายเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยไม่ไปยึดไปถือไปติดอันนั้นก็คล้ายๆให้เราสอนใจในโกรแกรมในหัวเช่นภรรยาภรรยาเราลูกเราก่อนเนี้ยภรรยาเราก็ไม่ใช่ของเรา อันนีเกิน ด, น ด, นดีเขาอยากจะเป็นภรรยาของคนอื่นเขาก็ไปะแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเขาจะไปเราก็ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราก็เราก็จะไม่ตกใจไม่เสียใจแต่ถ้าเราไม่รู้วันดีเกินดีนดอเขาไปเป็นของคนอื่นทลานเะขียนจดหมายทีบย่บายบายอันมันก็จะทุกข์ มันไม่มันไม่มันอนุจังมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันไม่คงเส้นคงวามันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วให้เราให้เรามันกับที่ท่านจดจําไว้ไงจดจำในในใจแบล้มในในเวลาเห็นหน้าเมีเวลาเห็นหน้ามีเทไัยก็บอกมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ไปแล้วต้องคิดอย่างนี้เลยเหมือนเห็นร่างกายก็รู้ว่าตัวเองก็แก่แล้วมันก็อทุกอย่างอย่างนั้น ประทับไว้ในความเอทองจำไม่ให้มันเลยเปลี่ยนสัญญาจากที่มนุษย์ทั่วไปคิดให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตาให้เป็นให้ป็นเอป็นนิจจังทุกขังอตาตัดทุกเรื่องถ้าเรื่องอาหารก็ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่น่ากินถ้ามันคิดถึงอาหารแล้วมันคิดถึงอาหารที่น่ากินมันก็หิวถ้าไปคิดถึงอาหารที่ไม่น่ากินมันก็กินไม่ลง อาหารที่กินเข้าไปในท้องนี่ยมันไ ม, ไม่ไม่คิดกันมันชอบไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเงอ้ยนึกภาพอาหารในจานแล้วหิวไหมนั่นก็ยามเดินอดอาหารเย็นกลางคืนก็หิวก็ลองคิดถึงว่าคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องเนี่ยที่เราอาเจียนออกมาเนี่ยหรือที่มันเราถ่ายออกมาเนี่ยจะไปคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในจานมันก็จะไม่หิวทุกครั้งที่ ที่หิวที่อดอาหารแล้วคิดถึงอาหารนี่ต้องไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากอยู่ในลาไส้มันถึงจะไม่หิวคิดถึงทีไรแล้วมันกินไม่ลงแต่แต่ว่าระวังถึงเวลากินก็อย่าไปคิดเดี๋ยวมันจะกินไม่ลง <laughs> ถึงเวลากินก็ทําลืมมันไปเสียถ้ายังไม่ถึงเวลากินมันอยากจะกินก็ให้คิดแบบนี้มันต้องคิดของตงกันข้ามไง ที่จะทำให้เราไม่อยากเราอยากคนอยากชอบคนนั่นชอบคนนี้ก็ต้องไปคิดถึงส่วนที่ทำให้เราไม่ชอบคเวลาเขาตายแล้วยังชอบอยู่ไหมเวลาภรรยาสามีตายนี้ยังจะเก็บไว้ที่บ้านนอนกับเขาต่อไปหรเปล่าเปนคนเดียวกันไม่ใช่เหแต่ไม่หายใจเี้ <c oughs> พอไม่หายใจก็ไม่เอาล <c oughs> กลายเป็นผีขึ้นมาทันที บางทีตอนนี้ก็เป็นผีเหมือนกันเพียงแต่ผีหายใจได้ไม่เป็นไรถ้าผีหายใจได้ไม่กลัวถ้าผีหายใจไม่ได้ก็กลัวแล้วคนเราส่วนใหญ่ที่ตายกันตายเพราะผีตายแล้วเพราะผีเป็นนะตายเพราะผีเป็นใช่ไหมเนี่ยตายเพราะคนที่ยังหายใจได้ใช่ไหมคนที่หายใจไม่ได้แล้วมันจะมาทำเราได้ทําอะไรเราได้่ะไปกลัวเรื่องที่ไม่น่ากลัวเรื่องที่กลัวกับไม่กลัว นี่คือปัญญาแต่บางทีมีปัญญาแต่ถ้ามัน ม, มันไม่ทันก็หรือไม่มีกำลังมันก็สู้มันไม่ได้รู้ว่าต้องต้องปล่อยแต่มันไม่ยอมปล่อยเพราะเรายังไม่ฝึกให้มันปล่อยเราต้องมาฝึกให้มันปล่อยด้วยการนั่งสมาธิแต่นคนที่ฟังทมอย่างเดียวแล้วไม่มีสมาธิยังปล่อยไม่ได้หรือว่าทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ก็ยังติดอยู่จึงต้องมาฝึกวิธีปล่อยแม้ น, นั่งสมาธิจิตรวมมันจะปล่อยทุกอย่างชั่วคราวเราก็จะได้ดูว่าอ๋อวิธีการปล่อยมันดีเราก็จะยินดีที่จะปล่อยต่อไปตอนนี้เราไม่กล้าปล่อยเพราะเราไม่รู้ว่าปล่อยแล้วมันไม่มีอะไรมาทดแทนปล่อยแล้วหิวเหมือนคนที่ติดบุหรี่ถ้าเลิกบุหรี่แล้วมันทรมาร แต่ถ้าเลอกกูเละแล้วไปเข้าสมาธิได้มันก็ไม่ทรมานยังต้องมาฝึกสมาธิกันปัญญาี้ฟังกันมาหูฉีกอะรู้ว่าทุกอย่างอันนี้จังทุกขงังอนัตตารู้ว่าสุภารู้อะไรแต่พอเห็นปับ๊บเห็นกับข้าวกับปลาอาหารปับหิวไม่นมาทันที เห็นคนรูปร่างหน้าตาดีหน่อยก็อยากจะได้มาเป็นแฟน <c oughs> วเวลาเรานั่งสมาธินะท่านอาจารย์พอเราออกมาจากสมาธิปุ๊บบางทีเราก็ทำหนังสือทำออกมาอ่ารอะไรเงี้ยความรู้สึกของความสงบมันก็จะมันก็จะพอลอยไปครับใช่ <c oughs> เพราะเราไม่ปรุงแต่งครับไม่ปรุงแต่งไปทางกิเลสถ้าปรุงแต่งไปทางกิเลส ท, ทางตัณหามันก็จะ ร้อนขึ้นมามันจะวุ่นขึนาตอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องธรรมะตายรักอะไรหรือธรรมะนี่แหละก็เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาแต่เป็นการเจริญปัญญาของคนอื่นต่อไปเราคนรจะพิจารณาด้วยตัวเราเองจะได้ไม่ต้องไปอาศัย youtube ไม่ต้องไปอาศัยอะไรเอาตอนต้นเรายังพิจารณาไม่เป็นก็เอา y o u ูทูบเอาเทสมาฟังก่อน เอาต่อไปเราก็ออกมาคิดของเราเองคิดถึงร่างกายดูอาการสามสิบสองของร่างกายดูอะไรต่างๆเหล่านี้ดูอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากอยู่ในลำไส้อะไรอย่าแต่ผมสังเกตเวลามั น, นมีอะไรมากระทบใจมันปล่อยเร็วขึ้นใช่เพราะมันเริ่มมีปัญญาเริ่มมีสมาธิจึงปล่อยเร็วขึ้นอวันนั้นขับรถไปปากกามเสาเ น, นี่ยพไมะงั้นมันจะเล้าโมโหแหะ ทำไปแล้วรู้สึกว่าเพราะมันมีรถมันก็ต้องชนไม่งั้มันจะไปมีออะไรเงี้ยมันก็คล้ายลงมันไปว่าใช่ต้มาชนเพราะว่ามีรถไม่ชนมันมันจนได้มันยอมรับอันนี้จังเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ยอมรับเาะมื่อก่อนออกเปิเต้นเนี่ยต่อไปมีเรื่องอะไรเกิขึ้นก็จะเฉยได้มันมันขึ้นก็ระดับเรื่อง แต่ถ้เรื่งแต่ว่าเรื่องไหนที่มันนั้เราก็จะปล่อยเร็วขึ้นเรื่องไหนที่เราลักเราห่วงก็ปล่อยยากเรื่องไหนที่เราไม่ค่อยลักไม่ค่อยห่วงก็ปล่อยเลยว่าได้ผลอะไรที่ฟังทักเพื่แล้วก็นำไปปฏิบัติอ่านี่ต้องปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นน ท, ทุกวันอใช่แต่มันระดับของการปฏิบัตริระดับของการปล่อยมันยัง อย่างอย่างไม่ถึงขั้นที่ต้อง พ, พัฒนาขึ้นไปขั้นต่อไปก็ต้องถือศีลแปดดูแล้วปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดูไม่ไ ม, ไม่บันเทิงมหออัศลศพเรื่องกินงานเลี่ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆ น, นีปล่อยมันต้องปล่อยไปเรืไไ่อยรู้สึกเวลามันจิตสงบมันมีความสุขในจิตมาก ได้ในที่ที่ท่านสอนนะครับอยู่กับความสงบเนี่ยมันก็เป็นความเนความสุขอีกแบบความสุขที่สูงสุดด้วยความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงเพราะหนึ่งเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขอย่างเอินี่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาพอมันหายไปปั๊บความทุกข์ก็ตามมาทันทีไปเที่ยวกลับมา ความสุขที่ได้ก็หายไปมดความเหงาความ ว, าว้าเหวยก็ตามมาอยู่บ้านอ ย, อยากไปอก อ, อกอยากออกอีกเคดื่มอะไรเดี๋ยวพอหมดแล้วก็อยากจะดื่มอีกดูอะไ ร, ระมันเป็นยาเสพติดทั้งหมดนะลูกเสียงกลิ่นนสดต่างๆเนี่ยเป็นญาเสพติดเพียงแต่ว่าเราเมื่อมันติดกันทุกคนเราก็เลยออกกฎหมาย ห, ห้ามไม่ได้ห้ามได้แต่เฉพาะบางอย่างที่ไม่ติดทุกคน เจนยาต่อไปยาเสติดจนี้มันก็จะออกไม่ออกกฎหมายห้ามแล้วอย่างนี้ต่างประเทศยากัญชาเนี่ยมันเริ่มจะออกกฎหมายให้ให้ติดกันได้แล้ะมันก็อ้างว่าเพื่อสุขภาพรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้มันพอมันสูบกัญชามันสงบจิตมันก็เบามันสบายมันหายเครียดมันก็เลยช่วยไปรักษาโรคเครียดได้ มันก็เป็นมันก็ไปติดไอ้กัญชาอีกติดยายอีกแล้วมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายทีหลังเหมือนกับสูบบุหรี่มันไม่ใช่วิธีแก้วิธีแก้ต้องเลิกเลิกความอยากต่างๆด้วยการฝึกสมาธิแทนเอาสมาธิเนี่ยเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุด ทำใจให้สงบแล้วความอยากให้ไปความเครียดความกงังวลความวุ่นวายใจต่งางๆหายไปแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ต่อไปเวลาอยากไปทําอะไรก็บอกอยากไปทําทําแล้วเดี๋ยวเครียดอาจจะสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนต้นมันเป็นความสุขเครือบความทุกขเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ําตาล อย่าไปอมมันอมแล้วเดี๋ยวมันขมเดี๋ยวน้ําตาลมันละลายหมดแล้วก็ขมก็ต้องบ้วนเทิงแล้วก็ไปหาเม็ดใหม่มาอมเลยสู้อย่าไปอมมันดีกว่าอยู่กับความอยู่ความความไม่อยากดีกว่าถ้าไม่อยากเล้วใจก็จะกลับมาสงบจะสบายเหมือนเหมือนขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิท่านอาจารย์ตอนที่ที่ไม่อยากเลยแต่ว่าให้เรามีตัวรู้รู้วนาเงินจะคิดเรารู้ว่าเป็นตัวว่าจะทิด เราไม่ลองคิดถ้าหยุดมันได้ถ้าหยุดมันได้ก็ดีแต่ว่ามันก็จะหยุดมันก็คือถ้ามันออกจากสมาธิมันจะมันจะรู้มันแต่ถ้ามันไม่มีสมาธิมันก็จะไปมันจะหลงไปที่ที่มันหยุดได้เขาพอมีสติแต่สตินี่จะไม่หยุดมันอย่างถาวรความคิดพอเราเพิ่มสติปักความคิดกระโเขึ้นมาถ้าอยากให้ความคิดไม่ดีหยุดคิดอย่างถาวานต้อง ต้องมองว่าคิดแล้วนําไปสู่ความทุกข์มันก็จะไม่คิดต่อไปคิดอยากจะใช่คิดอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้พอบอกไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวเลยถ้าวันไหนไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์ต่อไปมันก็คิดไม่ได้คิดอยากจะไปเที่ยวแต่ถ้าใช้สติกดไว้พอคิดอยากจะเที่ยวก็พุโทโธพุโทโธไปสั่งให้มันหยุดคิดเดี๋ยวพอเราไม่ได้คุมมันไว้มันก็คิดกันใหม่เพราะมันยังหนงอยู่ ยังหลงว่าการไปเที่ยวเยอะเป็นการหาความสุขเยอต้องแก้ความหลงให้เห็นว่าการไปเที่ยวนี่การเป็นการไปหาความทุกข์เป็นการไปติดยาเสพติดเหมือนกับไปติดยาเสพติดอันนี้ก็ขั้นปัญญาอ่าขั้นปัญญาแล้วมันจะแก้ความอยากได้อย่างถาวรสตินี้หยุดความอยากเพียงแต่กดมันไว้เหมือนกับเห็นทับยาขั้นปัญญาก็เอามาใส่ไปในสัญญาความจำให้ระลึก ทุกอย่างเป็นทุกข์นะอ่าไม่เป็นสุขพอเห็นเราอยากได้วอาเป็นทุกข์ปั๊บมันก็หยุดต่อไปมันก็จะไม่คิดไปอยากได้สิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ถ้ายังมันหลงคิดว่าเป็นสุขอยู่มันก็ยังอยากจะได้ สมาธินี้สําคัญว่ากถ้าฟังด้วยฟังปัญญาอย่างเดียวพาเราจะใช้หยุดความอยากมันสู้ไม่ได้แล้วคนที่ติดกาแฟติดบุหรี่นี่มันไม่มีกําลังที่จะสู้รู้ว่าบุหรี่ไม่ดีรู้ว่ากาคาเฟไม่ดีรู้ว่าสุราไม่ดีแต่พอติดแล้วมันเลิกไม่ได้ไม่มีกําลังหยุดมันต้องมาฝึกนั่งสมาธิต้องอาศัยพุโทโธก่อนหยุดความอยากก่อนหยุดความคิด มีความคิดนั่นก็จะหยุดความอยากได้พอเราไม่คิดถึงบุรีเราก็ความอยากบุรีก็จะไม่โผล่ขึ้นมาถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็จะไปคิดถึงบุรีไม่ได้แล้วพอจิตสงบเราก็จะเห็นว่าเออไม่ได้สูกก็มีความสุขได้นี่ก็เลยพอมันอยากนี้ก็เลยเห็นโทษของความอยากว่าเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าไปสู่ก็เดี๋ยวก็ ปิดต้องสูบอยู่เรื่อยๆก็ฝืนมันไปฝืนความอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากมันก็อ่อนกำลังลงไปทุกครั้งที่เราฝืนมันความอยากมันจะลดกำลังลงไปไม่กี่ครั้งเดียวมันก็หายอยากไม่โผล่ขึ้นมาเรื่อเห็นด้วยปัญญาว่าเนี่ยไปไปไปไ ป, ไปสูบแล้วมันไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขทุกทั้งทางสุขภาพร่างกายทุกทางสภาพจิตใจ เวลาไม่ได้สู่มันงดเย็ดสูกมากๆร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยตายตายก่อนวัยอันควรคิดด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์นวมันก็จะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นระเบิดลูกระเบิดเราจะเข้าไปเอาไหมทุกอย่างก็เป็นเหมือนลูกระเบิดเพอยงแต่ว่ามันห่อไว้ในกระดาษของขวัญสวยงาม เห็นก็อยากจะได้พอไปจับเข้ามันระเบิดตูมใส่เราเนี่ยเป็นแต่มันไม่ระเบิดทันทีทั้งใดใหม่ๆมันก็ให้เราหลงหลาคลั่งไคลไปกับมันมีความสุขไปกับมันใหม่ๆแล้วต่อไปเดี๋ยวมันเริ่มกลายมันเปลี่ยนไปเรือมันเริ่มหายไปเรื่อหมดไปตอนนั้นนะความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมา งั้นเราถ้าพูดตามขั้นตอนมันก็ต้องปล่อยของง่ายก่อนแล้วก็ปล่อยของยากขึ้นไปของง่ายก็คือของนอกกายก่อนเช่นลาบยศสรนเสริญลูกเสียงกล็ดนเนีน่ของนอกกายปล่อยแล้วเราก็มาปล่อยร่างกายปล่อยความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วก็ไปปล่อยกามารมณ์ เก็เข้าไปปล่อยตัวอัตตาตัวตนที่มีอยู่ในจิตตัววิชาตัวความอยากจะไปถึงนิพพานคําว่านิพพานก็คืออยากให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมันก็ไปเห็นมันมก็ไปจะไปเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็จะถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องหยุดความอยาก ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรมันก็จะหลุด ม, มีอยู่อันที่หลวงพอสอนแะล้วน้ำถูกใส่อยู่ในะเรื่องว่าจิตจิตนี้อยู่ตรงเราอะจิตมันอยู่ข้างนอกอ๋อมันอยู่คนด้โลกกันไงอยู่กันระมิติระ ม, ม, ม, มิตินะอ่ามิต uh, dimension อะไรอย่างนี้แล้วเรา แล้วมันก็มัน <c oughs> มันเชื่อมันเชื่อมกันด้วยด้วยกระแสจิตที่ส่งมาเกาะตาหูจมูลกลิ้นกายกย็ตัวกระแสจิตที่มากาดกับร่างกาเยเราเรียกว่าวิญญาณทั้งห้าจากขววิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทงางลดทางทางทางจมูกทางลิ้นทางร่างกาเยเหมือนกับเราเอาสาย หูฟังนี่ไปเสียบกับเครื่องเครื่องเครื่องโทรศัพท์นี่เราก็จะได้ฟังเสียงจากโทรศัพท์ได้เข้ามาในหูฟังเราเ<ล>นี่ยตอนนี้ถ้ารูปมันรูปไม่อยู่แล้วรูปรูปสลายไม่หมดแล้วก็เหลือแต่ตัวจิตมายถึงร่างกายใช่ไหมใช่ก็ร่างกายก็มันก็คนกับคนกับจิตไงจิตเพียงแต่มาใช้ร่างกายเป็นตัว ไปรับข้อมูลต่างๆมาให้กับจิตอีกทีรับข้อมูลทางตาหูจมูกม้นกายแล้วก็ส่งมาที่จิตจิตมีมีสะพานเชื่อมตัวตัวเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้จะเชื่อมไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเชื่อมกับตาหูจมูกม้อกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรส มีการมีมีการคอนเนคมีการเชื่อมต่อเราเรียกสัมผัสใช่ไหมพอตาสัมผัสกับรูปวิญญาณมันก็ส่งเข้ามาที่ใจใจมันก็ใชส้สัญญามาเช็คดูว่าเป็นรูปอะไรเคยมีอยู่ในข้อมูลมีเคยเก็บข้อมูลไว้ไม่มีก็ก็ต้องศึกษาหมายว่าเป็นรูปอะไรเป็นใครถ้ามีอยู่ในข้อมูลก็รู้ว่าออกคนนี้รู้จักชื่อในกในขออะไรก็ว่าไป แล้วพอสัญญาจำได้ว่าเป็นนายกรนายขอก็จำว่าเป็นเป็นพิษเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นนิจหรือเป็นศัตรูมันเป็นคนให้ความสุขและคนให้ความทุกข์ถ้าเป็นคนที่เอาความทุกข์มาให้ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเช่ น, นคู่อริมาแล้วพอเห็นใจก็ไม่สบายแล้วเวทนาขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาขึ้นมาสังขารก็ปรุงอยากการหนีและ รลังยก็จะปรุงไปตามความอยากอยากอยากได้หรืออยากไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดเป็นการทำงานของจิตนะเนี่ยร่างกายไม่เกี่ยวพอพอพอจิตได้ได้ข้อมูลมาจิตมันก็เริ่มมีมีโปรแกรมของมันทำงานทันทีนี่เราต้องมาแก้โปรแกรมใหม่เองที่คุณบอกแก้สัญญาใหม่ถ้าเห็นว่ามันเป็นมันเป็นพิษเป็นภัยก็ ก็ต้องยอมต้องสอนจิตว่าแล้วถ้ามันห้ามมันไม่ได้จะทำยังไงมันเป็นพิษเป็นภยัยก็ต้องยอมอยังมากมันก็แค่ทำให้ร่างกายตายแต่จิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปทุกกับมันถ้าไปเจอของที่ชอบก็อย่าไปอยากได้ได้แล้วเดี๋ยวติดเดี๋ยวเวลาไม่ได้มันก็เสียใจอันนี้มาแก้โปรแกรมใหม่ ถ้าโปรแกรมเก่าพอเห็นอะไรชอบก็วิ่งเข้าหาเลยเวลเจออะไรของที่ไม่ชอบก็วิ่งหนีเลยอันนี้เราต้องเปลี่ยนให้ใจอยู่เฉยๆไม่ไปวิ่งเข้าหาไม่ไปวิ่งหนีให้รู้เฉยๆมันก็เป็นอุเบกขาไ ด, มได้มันเป็นยากถ้าไม่มีอุเบกขาจากสมาธิมันไม่เป็นมันเป็นมันยังทําไม่เป็นยังต้อง มีสมาธิก่อนหนึ่งจะไปเป็นปัญญาได้มันเป็นขั้นต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้เป็นก่อนแล้วต่อไปก็จะรู้ว่าเวลาที่เจออะไรก็พยายามดึงใจให้อยู่บนจุดนี้อย่าให้ออกจากจุดนี้ไปพอออกไปแล้วมันจะทุกข์ ้วเวลาอะไเกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายตายไปจิตมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกับร่างกายมันก็ขาดการติดต่อทั้งนี้แล้วมันอยู่ที่ไห น, มนไม่รู้มันเป็นอีกมิติหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์ไงโลกทิพย์โลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณทั้งหลายโลกของดวงจิตดวงใจทั้งหลายอันนีว้ว่าโลกทิพย์ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไซต์คริสเวิลด์ The spiritual world นี่เราอยู่ใน physical world physical world ก็คือโลกธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโลกนี้เป็นโลกธาตุทามาจากดินน้ำลมไฟทุกอย่างร่างกายเราก็มาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้กุฏิไม้เมือยของวงนี้ก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟทนะั้ออ ง, งนั้นโดยอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นดินอย่างเดียว ของโลหะนี่เราก็เรียกว่าดินธาตุดินของที่เหลวและของที่มีส่วนผสมแล้วก็มีทั้งดินทั้งน้ำปนกันไปร่างกายเรานี่มีทั้งสี่อย่างปนกันมามีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟแล้วมันก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเวลาตายไปมันก็สลายกลับคืนสู่ไปหมดแต่คนที่มาเิดนี่ไม่ได้สลายไป อิจนี้เป็นตัวรู้ธาตุรู้ก็อยู่ในอีกมิติหนึ่งอยู่คนละโลกกันโลกนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างหนึ่งจึงไม่มีการเสือ่อมไม่มีการสลายโลกโลกทางทางสายขิดทางทางวิญญาณโลกแห่งของวิญญาณนี้มันไม่มีรูปไม่มีร่างมันเลยไม่มีไม่มีเสือ่อมไม่มีสลาย มันก็เป็นไปตามสังขารความคิดของมันเป็นไปตามโลภโกดหลงถ้ามันโลภโกดหลงมันก็จะไปหาร่างกายไปพอมันติดร่างกายมันติดกาแฟอย่างเงี้ยพอกาแฟหมดก็ไปซื้อกาแฟขวดใหม่มะพอสุราหมดก็ไปซื้อสุรากวดใหม่มาพอร่างกายตายมันก็ไปหาร่างกายใหม่แต่ช่วงที่มันรอไปได้ร่างกายมันก็เป็นช่วงที่ บุญกับบาปมันก็จะทำงานถ้าเป็นบุญมันก็จะผลิตความสุขให้กับใจถ้าเป็นบาปมันก็จะผลิตความทุกข์ให้กับใจตรงนั้นก็เลยก็นรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ในใจมันไม่ได้เป็นสถานที่อธิบายมมันเป็นสภาพของจิตที่เกิดจากการคิดไปในทางดีแล้วคิดแต่ทางไม่ดีคิดทำความดีจิตก็จะมีความสุข คิดไปในทางโลภโกรธหลงคิดไปในทางทำบาปมันก็ทำให้จิตร้อนขึ้นมาแล้วพอไปทำแล้วมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาจริงๆเลยเวลาเราทำบุญเราเย็นไหมสบายไหมเวลาเราทำบาป เ, เราร้อนไหมอันนั้นก็เป็นนรกในอกสวรรค์ในใจสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยก็อยู่ในใจนี้แหละมันไม่ได้เป็นสถานที่ มันเป็นสภาวะที่เกิดจากการกระทำของจิตเองจิตคิดดีมันก็จะทำให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาจิตคิดบาปมันก็จะทำให้เป็นนรกขึ้นมาเป็นเป็นอบายขึ้นมามันก็จะเ ป, เป็นคนของีิบับออกรรมแล้วจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่มันก็จะมาใช้ร่างกายไปทำบุญทำบาปต่อไปเพราะเวลาจะหา อะไรต่างๆด้วยร่างกายบางทีมันก็หาได้สองทางเนีหาด้วยการทำบาปก็ได้หาด้วยการไม่ทำบาปก็ได้แล้วพอหามาได้มากคนบางคนก็มีใจดีก็เอาไปทำบุญก็ไปแบ่งบางคนใจไม่ดีใจหวงใจตันห่ก็ไม่ยอมไปทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้บุญตายไปก็ไม่ได้ ไม่ได้สวรรค์ตายไปก็ได้ได้นรกได้อบายไปนี่คือเรื่องของใจใจมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร้อนเย็นถ้ามันอยู่ช่วงที่กลางกลางไม่ร้อนไม่เย็นก็เป็นช่วงที่มันจะได้มาได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์ พอมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ใจมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เย็นมันสลับกันไปขึ้นอยู่กับเวลาที่มันไปทําอะไรทําบุญมันก็เย็นออทาบาปมันก็ร้อนเหมืนกับเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเราก็ฝันดีหรือฝันไม่ดีอันนั้นฝันดีก็บุญทําให้ฝันดีอฝันไม่ดีก็บบาปนี่ยทําให้เราฝันไม่ดีแต่มันเป็นเป็น เป็นการเป็นผลชั่วคราวเพราะเดี๋ยวพอเตนขึ้นมามันก็หายไปแต่เดี๋ยวเาหลับหลับไปมันก็ฝันใหม่พอเวลาไม่มีร่างกายมันก็ฝันยาวไปเลยเข้าใจไหมพอร่างกายตายมันก็ฝันยาวไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่มันก็ตื่นก็ฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายก็บาป่าไปฝันดีก็บุญ ผลิตให้เป็นกับบุญกับบาปเป็นผู้ผลิตฝันดีกับฝันร้ายพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมามันก็ตื่นใหม่เพียงแต่ว่าตอนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วได้ร่างกายอันใหม่ถ้าถ้าเป็นร่างกายเก่าก็ฝันเดียวเดียวไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวร่างกายมันก็ดึงจิตให้ให้กลับมามาดูแลร่างกายเพราะร่างกายมันจะตื่นพอตื่นจิตก็ต้องมา มาดูแลรับข้อมูลต่างๆจากร่างกายแต่ถ้าไม่มีร่างกายแล้วไปรอร่างกายอใหม่ก็ไม่รู้จะได้ร่างกายใหม่เมื่อไหร่เวลานั้นมันก็จะฝันยาวอาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็ได้กว่าจะได้ร่างกายใหม่หรออาจจะไม่กี่ไม่กี่ ว, วันก็ได้คนบางคนนึงประลึกชาติจาที่ได้เด็กบางคนเกิดมาจำได้ว่าเคอยอยู่บ้านนู้นเคอยอยู่บ้านนี้ แสดงว่านี่ฝันไม่ฝันไม่นานอ่าตายปุ๊บ ก, ก็ได้ได้ร่างกายใหม่เก้าเดือนก็โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นพอพอจับความได้มันพอพอเป็นเด็กพอเริ่มจําความได้ห้าหกปีห้ากขวบมันก็จําได้แล้วตรงนู้นตรงนี้เคยไปมาหรือเปล่าเนีย่ยตัวจิตมันไม่ได้ตายไปคับร่างกายเวลาร่างกายตา ย, ตายมันเป็นการไปเปลี่ยนร่าง เปลี่ยนร่างกายอันใหม่แต่นิสัยเดิมใช่ไหมชอบอะไรโกรธเกลียดอะไรเหมือนเดิมชอบกินอะไรไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมแต่เวลาเรากินเราชอบกินอะไรเราไม่ชอบกินอะไรนี่พ่อแม่ไม่ต้องสอนนะเราเลือกของเราเองอันนี้มันติดมากับจิตถนัดอะไรมันถนัดซ้ายมันก็จะซ้ายไปถนัดขวามันก็ขวาไป ให้เรามาหยุด ต, ตัวที่จะทําให้เราต้องมา ม, มีร่างกายตัวที่มาทําให้เรามีร่างกายอยู่ได้เพราะความอยากสามประการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญ แล้วก็อยากไม่เสียราบยศสรรเสริญไม่ไม่เสียร่างกายความอยากไม่เสียก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากได้ก็เรียกวาภาวะตัณหาสามตัวนี้ความอยากในรูปเสียงกลิกก่นรสก็ามตัณหาสําหรับพระอนาคามีนี่ท่านตัดความอยากในการมาตัณหาได้ ท่นไม่ต้องกลับมามีร่างกายแต่ท่านยังอยากมีอยากเป็นยังยังมีอัตตาตัวตนอยู่ก็เลยพาให้ท่านไปเกิดเป็นพรหมแทนพานอาหารตัดความอยากมีอยากเป็นได้ทุกอย่างหมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพต่างๆคนที่ถึงนิพพานก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตายไปไหน พอุตตรเจ้าบอกนิ่บานางบาลมังสูนอย่างนี้ไม่ได้หมายคำว่าศูนย์คนมาแปลว่าพอถึงนิพพานก็ศูนย์หมดเน้นปฏิบัติไปทำมาให้มันศูนคําว่าศูนย์ก็คือศูนย์จากภพชาติศูนย์จากความอยากต่างๆในจิตของคนนั้นไม่มีความอยากเลยไม่มีกิเลสตัณหาแล้วจิตบริสุทธิ์ศูนย์เหมือนเสื้อผ้าที่เราซักเนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมก็เ ร, เรากําจัดค้าบสกปรกไปหมด สูญจากคราสบสกปรปกไปหมดะแต่เสื้อผ้าไม่ศูนญใช่ไหมไม่ใช่อเสื้อผ้าไปซักพอมันสะอาดตั๊มันก็หายไปหมดเลยยันไปซักทําไมใช่ไใส่เสื้อผ้าเก่ายังดีกว่าไ ม, ไม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่จิตมันไม่มีวันตายอยู่แล้วมันไม่มีวันศูนย์อยู่แล้วอันที่ศูนย์ก็คืออโมหะตัณหากิเลสอวิชชาต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจเนี้ยตอนเนี้ยศูนย์ญภาหัง น, นี้ไม่มีโรคกดน้อง ไม่มีตันหาไม่มีอาสวะไม่มีอะไรทั้งนั้นของที่จะมาทำให้จิตใจมันทุกข์ไม่มีในใจของพระอรหันต์ทั้งปวงเข้าใจหมท่านยังไม่มีความทุกข์กันถ้าเปลี่ยบเหมือนกับร่างกายก็ไม่มีเชื้อโรคถ้าร่างกายไม่มีเชื้อโรคมันก็ไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยแต่ร่างกายมันไม่ได้หายพอพอไม่มีเชื้อโรคแล้วร่างกายมันหายไปแล้วเวลาเรากินยาเพื่อไปฆ่าเชื้อโรคใช่ไ พอเชื้อโรคตายหมดแล้วร่างกายหายไปกับเชื้อโรคจิตก็เหมือนกันเราทำลายเชื้อโรคของจิตคือโรคโกดหลงที่ทําให้เกิดโรคจิตกันขึ้นมาคนที่มีโรคจิตก็เพราะความโรคโกดหลงนี่แหละไม่ใช่เป็นอะไรหรอกที่เครียดกันทุกข์กันวุ่นวายใจกันก็จากความโรคโกดหลงเกิดจากความอยากต่างๆ พอเรากินยาธรรมโอสถเข้าไปศีล ส, สมาธิปัญญาเข้าไปมันก็ฆ่าพวกเชื้อโรคทั้งหมดจนจิต ก, ก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาว่างจากเชื้อโรคนิบานางังปรามังศูนย์ยังไม่มีเชื้อโรคอยู่ในจิตนี่แล้วอศูนย์คําว่าศูนย์นี่ไม่ใช่ว่าจิตศูนย์กิเลสศูนย์แต่คนไม่ปฏิบตัติไม่ไปแปด เป็นคนตัดเรื่องไปโอร่าพอ่อให้เขเรียนเหมือนข่าวสารในเวลาเกิดเหตุการณนะ์เลยว่าคนนูน้นคนนี้กันพอไปตรวจสอบข้อมูลจริงๆคนละเรื่องกันคนเรามันชอบเมาว่าไปก่อนแนะใช่ไหมเห็นเหตุการณ์อะไรนะี้ก็ว่าไปแล้ว เ, เป็นนู้นเป็นนี่พอเจ้าหน้าที่ตํำรวจเข้ามาตรวจสอบข้อมูลหลักฐานดูอ้าวมันคนลัเรื่องกันนะ อันนี้คนที่ไม่ปฏิบัติพออ่านหนังสือธรรมะแล้วมันก็จะโอลพร่อกันนะแล้วบางทีพออ่านเข้าใจแล้วคิดว่าบรรลุแล้วเข้าใจแล้วความทุกข์เกิดจากความอยากอตอนนี้เราไม่อยากได้อะไรแล้วต อ, อนที่นั่ง น, นี่มันไม่มีความอยากใช่มันก็พูดได้ พอเกิดความอยากมันก็ลืมแบไม่ยอมคินเพราะตอนนี้เรากาลังอยากพออยากจะไปกินอะไรก็อ้างว่ามันเป็นของจำเป็นต้องกินนะการกินนี่มันกินสองแบบกินด้วยความอยากก็ได้กินด้วยความจำเป็นก็ได้กินแบบกินยาก็ได้กินแบบความอยากก็ได้หลวพอครัเวลาพ่ออรหันนั่นนะอรหันที่บอกว่าไม่อยากนี่แปลว่าความโกรธมัน ท่านไม่เอาหรือมันไม่เกิดมันของหมายว่าความโกรธถึงยกตัว อ, อย่างว่าความโกรธมันก็เป็นมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่เกิดเลยเหมือนกับมันไม่เกิดเลยอ่ะเหมือนต้นไม้มันไม่งอกขึ้นมาหรือมันงอกแต่ท่านไม่เอามันอ๋อมันไม่งอกแล้วความต้นเหตุของความโกรธมันคือความอยากเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความโกรธ ที่คุณมันไม่เกิดอา่าเพราะคุณเวลาคุณโกรธเพราะคุณอยากได้อะไรใช่ไมอ่าแล้วพอไม่ได้คุณก็โกรธใช่ไหมใช่ต้องไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวเด็กมะนาวข้าวต้มมาให้กินหนูจะโกรธไหอกูไม่ได้สั่งซะหน่อยกูอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเมื่อข้าต้มมาให้กูกินมันก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผ้าร้านก็ข้าวต้มก็ได้ไม่ไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวกูกินข้าวต้มก็ได้เนะ แปลว่าความอยากไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดกิเลก็ไม่เกิดอก็คกิเลสก็คือความอยากนเี่ยความอยากที่มันมันทําให้มีลูกตามมาไงความโกรธนี่เป็นเป็นลูกของความอยากแล้วพ่อของความอยากก็คือความหลงพ่อของความอยากก็คือความหลงความหลงที่เห็นว่าเป็นสุขไม่ที่เห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอมีปัญญามันก็จะเห็นว่าเป็นนิจจังทุกขังอัตตาพอคุณเห็นว่าทุกอย่างเป็นลูกระเบิดคุณอยากจะไปได้หรือเปล่า อ่ะก็ท่านนั้นเขาให้มันเห็นว่ามันเป็นลูกระเบิดเป็นยาพิษแต่เราไม่เห็นเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นขนมอ่าเป็นของน่ากินมันก็เลยอยากได้กันพอได้มาแล้วก็ล้องหม่มล้องห้กันใชอนี้เวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันจากเราไปไม่ไม่เห็นตอนนี้ไงเห็นที่ว่าได้มาแล้วจะอยู่กับเราเหมือนกับวันแรกที่เราได้มันมา เนี่ยเราไม่ศึกษาความจริงกันเราปล่อยให้ความหลงหลอกสร้างจิสร้างภาพหลอกเราว่าโอ้ได้สิ่งนี้มาแล้วจะสบายจะสุขจะได้ตำแหน่งนี้แล้วโอ้มีห น, น้ามีตามีอะไรก็ว่าไปนะนะเดี๋ยวก็มาเครียดกับตำแหน่งนั่นแหละเครียดกับการดูแลรักษาเครียดกับภาระติดหน้าที่การงานที่เป็นมากับตำแหน่งนั้นใช่ไหม เมื่อก่อนไม่มีไม่ต้องเครียดพอมีแล้วกลับมาเครียดมันมองไม่เห็นทุกข์เลเห็นแต่สุขสุขมันก็มีแต่มันสุขเดียวเดียวสุขที่มันฉาบฉาบบังทุกข์ไว้มันเลยมองไม่เห็นทุกข์กันถ้าไม่ใช้ปัญญามันจะมองไม่เห็นก็ฉาบตาบเหมื อ, อมนนัสุภาพเนี่ยเหมือนร่างกายของเราเนี่ยถ้าไม่ใช้ปัญญาจะไม่เห็นตับตายไส้พุง ต้องใช้ปัญญาต้องศึกษาต้องพิจารณาคิดอยู่เรื่อยๆถึงตับไต้ไส้พุงอะไรต่างๆเนี่ย้ะมันก็จะได้เห็นความจริงมันก็จะหายหลงหายอยากคือพอหายหลงมันก็หายอยากพอไม่มีอยากมันก็จะไม่ทุกข์ทุกข์ไม่มันจะไม่โกรธมันไม่จะไปโกรธอะไรไม่ต้องการอะไรจากใครจะไปโกรธเขาทํำไม ที่เราโกรธคนนั้นคนนี้เพราะเราต้องการอะไรจากเขาสักอย่างใช่ไหม <Okay. S 1> พอเขาไม่ทําตามที่เราอยากเราก็โกรธเขาเบียดเขาเนเา hmm. ี่ยจะหยุดตัวนี้ได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนแล้วก็มีปัญญารักษาสมาธิรักษาความไม่อยากไว้เวลาจิตสงบนี่มันจะอยู่กลางมันจะไม่มีความอยากไม่มีความโลภโกรธหนง ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงเลยเปิตที่เป็นอุเบกขามันต้องเกิดจากการมีสมาธิไม่ใช่มานั่งมานั่งดัดจริตเป็นอุเบกขามันเป็นได้แต่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนรถเกียร์โต้ที่เราคอยเหยียบเบรกไว้มันมันจะวิ่งอยู่นั่นนะแต่เราเหยียบเบรกไว้มันก็เลยไม่วิ่งถ้าอยากจะให้รถมันไม่วิ่งเราต้อง เ, อเข้าเกียร์ว่าง เราไม่ต้องเหยียบเบรกคนที่ยังไม่ได้มีอุเบกขาเราพยายามทําตัวเองเป็นอุเบกขาก็อย่างเงี้ยเวลาใครด่าเราก็พยายามเฉยเฉยเฉยเฉยแต่ข้าง้นนี่มันผุดผุดกัน <c oughs> มันไม่เจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็นั่นอ่ะมันมันเขาเรียกอุเบกขาปลอมไงมันไม่ใช่อุเบกขาจริงเวลาเห็นอะไรอยากจะได้ก็พยายามมังคับใหญ่ใหญ่อันนี้มันก็ยังอุเบกขาปลอมอยู่ มันต้องอุเบกขาจริงมันต้องเฉยจริงๆเห็นอะไรก็ไม่อยากได้เห็นอะไรก็ไม่ชังไม่กลวัวจริงๆมันต้องเป็นสมาธิมันยิ่งทําได้เอ่จิตต้องรวมจิตต้องสงบนิ่งหยุดความคิดปรุงแต่งทั้งหมดแล้วมันก็จะว่างเป็นกลาง <c oughs> สัก์แต่ว่ารู้ได้ แล้วพอมันออกมาจากสมาธิพอมันจะเริ่มคิดก็พยายามหยุดมันถ้าหยุดมันได้มันก็ยังจะอยู่คงกลางอยู่หรือให้มันคิดไปในทางปัญญามันก็ไม่มิถ้ามันไม่คิดไปทางความอยากมันก็ยังจะมันก็ยังจะว่างนั่อยู่มันก็ยังจะเฉยอยู่แต่พอไปเห็นกาแฟเห็นขนมปั๊บนี่ถ้ามันอยากก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมันละไม่งั้นเดี๋ยวมันหายไปหมดแล้วพออยากกินขนมพอไม่ได้กินก็โกรธละ มันจะตามมาเป็นขบวนเนี่ยรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อยากได้อย่างอื่นต่อแล้วได้กินแล้วก็อยากได้ดูแล้วอยากฟังแล้วมันก็จะมีความอยากชนิดต่างๆเดินขบวนเข้ามาเป็นแถว แ, วแต่ถ้าเราหยุดใจให้เป็นอุนเบกขาได้ความอยากมันก็จะถอยไปถ้หยุดด้วยสติมันก็ต้องคอยเหยียบเบรกไปเรื่อยๆถ้าปล่อยเบรกเมื่อไหร่มันก็อยากได้ ถ้าอยากจะตัดความอยากอย่างแท้จริงก็ต้องใช้ปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจนี่แสดไว้าต้องนั่งสมาธิจนจิตเริ่มจะเป็นอุเบกขาต้องเป็นนะต้องเป็นเป็นนไม่ใช่เริ่มไม่ต้องเป็นแล้วเป็นบ่อยๆเป็นนานๆจนกระทั่งเวลาออกมานี่มันยังเป็นต่อได้ยาวแล้วถ้าจะเป็นอุเบกขาจําเป็นต้องเป็นต้อง ต้องเป็นอัปปนาสมาธิาไม่จำเป็นต้องจําเป็นเนี่ยมันจะมันมันก็ไม่เป็นอุเบกขาอัปปนาสมาธิถึงนีเป็นเนี่ยฌานต้องฌานสี่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามยังไม่ถึงอุเบกขาต้องฌานที่สี่มันถึงนี้ถึงอุเบกขาฌานที่หนึ่งยังมีวิตตกวิจารอยู่มีปิติมีสุขอะไรอยู่แต่ยังไม่มีอุเบกขามันจะไป ม, มีอุเบกขาที่ฌานที่สี่อยงนั้นจะใครเข้าไม่ถึง การปั่นสมาธิก็ไม่สามารถถึงอเบคขาได้ใช่ไม่มีวิธีอื่นเลยก็วิธีนี้มันเป็นที่ที่จะทำํำนอกจากใช้ปัญญาอย่างพระอนุ น, นตัดมันแต่ถ้าไม่เคยมีสมาธิมาก่อนมันก็ไม่มันก็ไปไปไม่ได้มันไม่รู้ที่ที่อยู่ของของเุเบกขาอยู่ตรงไหนปัญญาเป็นเพียงแต่เป็นผู้ที่คอยดันจิตให้กลับไปที่อเุเบกขามันยากไม่ทุกคนจะถึง เห็นยากเลพูดโธพูดโธไปวันทั้งวันอย่าไปคิดอะไรนะคุณนั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทั้งวันแต่ให้คิดพูดโธกับคิดไม่ได้กันลองคิดพูดโธดูสั้งวันดูสิไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวก็นั่งปุ๊บกระรวมแนละห้านาทีสิบนาทีก็รวมได้ถ้าจิตมันอยู่กับพูดโธอย่างเดียวมันไม่ไปคิดอะไรมันง่ายผู้ตามทฤษฎีมันจะไม่ยากเลยคิดพุดโธแค่ห้านาทีสิบนาที อย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปแวะไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่มไม่ทำกันมันชอบคิดเรื่องอื่นกันเพราะอ้พุโทโธอยู่สักสองสามวินาทีก็เบื่อแล้วแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆมันจะเกิดความมุ่มานะกูต้องลองดูให้ได้ว่าแค่ห้านาทีทาไมไม่ได้ะแค่พุโทโธแค่ห้านาทีเนี่ย ถ้ามีมู้นานจริงๆไม่นานไม่ก็ได้วเวลาถ้ามีความตั้งใจขนาดภูเขาหิมาลัยก็ยังปีนขึ้นไปได้ยอดภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็ยังขึ้นไปได้ยากกว่าพุโทโธห้านาทีนะท ำ, ทำไมทาไมจะทำไม่ได้แต่มันไม่เห็นคุณค่านะันเมันไม่รู้ว่ามันวิเศษขนาดไหนที่เวลาจิตรวมนเป็นยังไงไม่พุโทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวห้านาทีเนะี่ยไม่ให้ไปคิดอะไรเลย แค่ดูเข้าดูออกดูเข้าดูออกแค่เนี้ยมันมันต้องเหมือนจะตกหลุมอ่ะอ่าแน่นอนเดี๋ยวมันก็ตกหลุมอพอตกหลุมมันก็เข้าไปในอัปปนาแล้ว่เอาไม่ทําดูดิในโลกนี้เขาสมาธิแต่มันไม่เห็นจะอัปนาก็มันนั่งคิดมันไม่นั่งพุทโธเลย นั่งนงต้องหยุดคิดเลย น, นั่งแบบลมหายใจเขา้าออกบางคนลองนั่งหลับตาดูลมตอนนี้ดูช่คุณไม่คิดได้เปสักนาทีหนึ่งเนี่ยดูลมอย่างเดียวอ่ะ ได้เลคิดไรบ้างแน่ใจบ่ะอหลากลับไปทําที่บ้านอยู่อยากคิดคือมันเริ่มมันมันคล้ายๆสมัยก่อนมันจะทําไม่ได้แต่เพราะผมทำบ่อยๆจะเต็มมากขึ้นอมันคล้ายๆมันเหมือนเราต้องฝึกอาแรกๆเลยไม่ได้ทําไปถ้ามันทำไม่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ได้แล้วก็จะ ก็จะกาจะก้าวหน้าถ้าจิตมันเริ่มรวมแล้ทีนี้ก็เริ่มใช้ปัญญาได้แล้วใช้ปัญญาเวลามันจะออกจากอุเบกขาก็มันดึงมันกลับเข้ามาแต่แต่สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ครอาจารย์ก็ต้องใช้การข่มจิตเพื่อให้เป็นอุเบกขาอยู่ดีไม่ใหนค่ับงานตอนแรกก็พูดโทงไงพูดโทวมันพูดโทก็ข่มจิตอยู่แล้วเลย ปล่ยพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรมันไม่ยอมพุโทโธกันเลยแต่แตพอทําไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มชานาญเนี่ยคราวนี้ปัญญาตัดเองอัตโนมัติไม่ต้องทาอะไรเลยอ่าต่อไปถ้าปัญญาเห็นอะไรก็ทุกเห็นว่าเป็นทุกข์ไปมันก็ไม่อยากได้นะถ้ายังเห็นว่าเป็นสุขเป็นยังไงย่างยา ก, ยา ก, ยากอยู่ก็อยากถ่ายลูกเนี่ยมันก็ <laughs> <laughs> ถ่ายไปแไปเดียว เดี๋ยวรูปที่ถ่ายมวกี่หมื่นรูปก็หายไปหมดยังไม่ทุกอย่างยังไม่เห็นทุกอยอางถ่ายมาองอันนี้จอกสำหรับคนที่รู้เรื่องคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ อาจะให้พรก่อนนะหมดช่วงแรกแนละ้วแื่ใครอยากจะไปก็จะได้ไปได้ยะถาวาวาหาปุปราปาริปุรเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ จิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุริหนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยทามนีจุติระโสยทัสสะพีติโยวิวัจันตุสัพพารุโควินัสตุ มาเตภวะตวันตระยาโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีลิตสะนิจังวุตฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏาติอายุวันโอสุขังภาลั ใครอยากจะถวายอะไรหรืออยากจะนับหนังสืออะไรก็เข้ามาได้อ่ะประเคนได้อ่ะใครตากล้องอยู่ไหนตากล้องตากล้องมก็เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ทางไลนตากล้องหายไปเบื่นการรูปย่านี้ต้องมาถ่ายไหมสามหมืมหม่น เกิดโชว์สามหายไปคนหนึ่งเขาก็สบายเงี้ยอือถ่าได้้่ย้ไม่ถ่ายเป็นคลิปวีดีโอหมแชนแนลตัตะก้าขึ้นไหมั้ย อันตากาคืนไปก็ได้ไม่ไม่เก็บว่าเก็ บ, ก, บกับไม่ได้ใช่หรอพระไม่ได้ใช้อะไรไป อ, อยากได้น้องเสือก็หยิบานะ ใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาถามเข้ามาตอนนี้ก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ไปถึงทุกแห่งทุกคนมาจากสวิตเอร์แนดวยน์ญี่ปุ่นลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดเลย กินพี่หลวงพ่อพดถึงยังพึดยงพึ่ไม่จบดีว่าอยากกินเนี่ยมันเกิดจากความอยากหรืออะไรอ่ามันคือกินเนี่ยมันกินได้สองอย่างกินด้วยความอยากพอคิดถึงอาหารก็อยากกินขึ้นมาทั้งทั้งที่ร่างกายมันมันมันเต็มที่อยู่แล้วอันนี้กินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความไม่อยากก็กินแบบกินยาถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่กินถึงเวลาค่อยกินแล้วกิน กินพอประมาณคือกินตามปริมาณที่ร่างกายต้องการไม่มากไปกว่านนะั้นเหมือนกับปริมาณยาที่หมอสั่งมาถ้ากินกินแบบกินยาร่างกายจะไม่อ้วนนะแต่ถ้ากินแบบความอยากนี่มันจะอ้วนเพราะมันจะกินมากเกินไปนวิธีที่จะแก้ความอยากกินก็ต้องเวลาอยากกินง่ายคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในท้องอยู่ในลำไส้ เวลามันขับถ่ายออกมาแล้วมันน่ากินไหมถ้าเห็นภาพของอาหารแบบนั้นมันก็จะไม่อยากกินมันก็จะห้ามใจได้ห้ามความอยากได้คนที่ถือสินป่เนี่ยไม่ให้กินข้าวเยน็นถ้าเวลาตอนเย็นตอนเย็นหิวก็คิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากอยู่ในลาไส้มันก็จะหายหิว ที่มันจะมีกําลังคิดหรือเปล่าเพราะมันสู้กําลังคิดไปทางไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิมันสู้ไม่ได้เพราะความกําลังคิดของกิเลสมันจะแรงกว่าแต่ถ้าเรามีสมาธินี่เท่าเท่ากับเราไปเหมือนกับไปโชคกิเลสให้มันนับแปดเนี่ยพอหนับแปดมันลุกขึ้นมามันก็โซเซโซเซมันจะไม่มีเรื่องมีแรงเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ถูกนับแปดการที่เราเข้าสมาธิก็เพื่อไป ปล่อยให้กิเลสมันล้มให้มันนับแปดแล้วมันก็จะได้มีกำลังสู้กันได้พอสูสีแต่ถ้ามันยังไม่ล้มนี่กำลังมันมากกว่าเราจะให้เรามาคิดทางนิจจังสุขขังอัตตาไม่ยอมคิดหรอกจะให้มาคิดถึงอสุภพไม่คิดหรอกมันจะคิดแต่ที่มันเคยคิดเนี่ยัจึงจาเป็นต้องมีสมาธิก่อน ถึงจะสามารถที่จะดึงความคิดนี้ไปคิดในทางปัญญาได้ตอนนี้กิเลสมันใช้กวนเว้าความคิดของเราพูดง่ายๆอยู่ดีๆเราจะไปขอคืนมาไม่ยอมไม่คืนเราต้องไปต่อยมันให้มันล้มหนึ่งแล้วก็ค่อยดึงกลับมาคืนได้ถึงต้องมีสมาธิก่อนเนี่ยสมาธิแล้วก็ปัญญา แต่ปัญญาก็ฟังได้แต่ไม่ได้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสเป็นปัญญาที่จะเป็นกัญญาปัญญ า, ญญาเริ่มต้นนะต้องฟังก่อนถึงจะได้รู้ว่าปรู้ว่าอะไรเป็นปัญญาเมื่อรู้แล้วก็เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิพราะมันจะเจริญไม่ได้นะพอฟังเทศน์นี่ฟังได้เดี๋ยวพอออกไปจากนี้ปั๊บเดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาลนะ เดี๋ยวคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาไปเรื่องอื่นปัญญาต่างๆที่ให้คิดหายไปหมดแล้วนั่นที่จะคิดมาทางปัญญาได้ในขั้นต้นต้องหยุดความคิดทางอื่นก่อนต้องไปปีกวิเวกต้องไม่ไปรับรู้เรื่องทางอื่นคนที่จะได้สร้างปัญญาสร้างสมาธิต้องไปปีกเวกเพื่อจะได้หยุดความคิดทางโลกทางธุรกิจทางอะไรต่างๆ แล้วพอมาอยู่คนเดียวก็ดึงมันให้หยุดคิดพอหยุดคิดได้แล้วคนตอบก็สั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้เันเวลาขับรถจะจะเลี้ยวกลับถ้าไปทางนี้แล้วอะไก็ไปกลับอีกทางแล้วก็หยุดรถก่อนแล้วก็หันหันรถกลับไปอีกทางน่ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันก็กลับรถไม่ได้นอกจากสมัยนี้เขามียูเทิแล้วมันนี้ก็ไปอย่างแต่ถ้าเป็นถนนที่เราจะไม่มี <languages? S 2> ถ้าเราจะเรียวกลับเราก็ ต, ต, ต้องหยุดก่อนหยุดด้นแล้วก็หักมันกลับไปอีกทางหนึ่งความคิดเราก็เหมือนโด้นแต่มันวิ่งไปทางหนึ่งเราอยากใช้มันไปอีกทางเราก็ต้องหยุดความคิดก <k Heh thumbs up> ่อนพอหยุดได้แล้วเราก็สั่งให้มันคิดไปอีกทางหนึ่งได้คิดไปทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้คิดไปในทางอสุภะได้ถ้ามันยังคิดอยู่ในเรื่องนิจจังสุขังอนัตตาเรื่องหาเงินหาทองหาความสุขทางตาอุจจุมงเลี้ยงกายอยู่นี่มันไม่คิดเรา คนคนที่เขาคิดอย่างนี้เข้าถึงไม่เข้าวัดกันไงเข้าวัดไม่ได้เพราะความคิดมันจะเบาะให้ไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆให้ไปหาเงินอยู่เรื่อยๆมันต้องไปเจ อ, อบัติเหตุไปเจอความทุกข์เกิดไปสูญเสียอะไรเข้าทีนี้ก็อาจจ ะ, ะเข้ามาวัดได้บางแต่จะเข้ามาได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอหายทุกข์ก็อาจจะกลับไปใหม่ก็ได้แต่บางคนถ้า เข้ามาแล้วติดใจก็อาจจะกลับมาบ่อยๆมันก็อยู่ที่วัดที่ไปอถ้าไปเจอวัดที่ไม่มีอะไรมันก็ไม่ติดใจถ้าไปเจอวัดที่มีธรรมมันก็ติดใจมันก็จะกลับมาแต่บางทีคนเราต้องมีวิกฤตในชีวิตเพื่อที่จะทำให้เราเห็นทุกข์เห็นเห็นว่าโลกนี้มันเป็นความทุกข์สูญเสียสิ่งที่เรารักไป สูญเสียตำแหน่งหรือสูญเสียเงินทองไปมันก็จะทำให้เราไปเกิดความทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรจะดับได้นอกจากไปวัดเท่านั้นไปวัดที่มีทำไปหาทำถ้าไปพึ่งทำแล้วสามารถเอาทำเข้าสู่ใจได้ก็จะช่วยได้มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็ทุกข์มากเมียจะจะจะหย่าจะเลิกไม่ยอมอยู่ด้วย แต่ตัวเองก็ยังรักยังห่วงอยู่แต่ก็ทำไงก็ขอร้องเขาไงเขาก็ไม่ยอมเขาจะไปก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยมาขออยู่วัดก็มาฟังเทศฟังธรรมมาฝึกนั่งสมาธิอยู่หลายเดือนจนกระทั่งหายทาใจได้ละเยอะหายทุกข์ละแต่พอหายทุกข์ออกไปไม่นานก็ไปได้แฟนใหม่ละเลม <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เลิอ ก, อกก็ทุกข์อีก แต่มันหยุดไม่ได้มันไม่มีความสุขมันไม่มีสมาธิในตัวมันก็เลยต้องหาคนใหม่มาแทนคนเก่าแต่ตอนต้นนี่มันคิดไม่ออกว่าหาคนใหม่ก็ได้ตอนนั้นอยากจะเอาแต่คนเก่าคนเดียวไม่ยอมเสียคนเก่าเอแต่พอตอนหลังตัดสินใจมาอยู่วัดอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งไม่เห็นหน้าเห็นตากันทำใจให้สงบบ้างฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไปบ้าง ก็เลยทําให้ใจเบาลงคลายความทุกข์ได้จนั้นที่สุดก็ปล่อยเขาได้แล้วพอไปล่อยได้แล้วเดี๋ยวก็ไปเจอคนใหม่ครับปัณณนี้ก็ไปอยู่กับคนใหม่แล้วเป็นนุ่งจะกลับมาวัดเองเมื่อไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเขามานั่งสมาธิได้แล้วนอนได้ก็ไม่กลับไปลนะบวชเลยดีกว่าจิตสงบแนละ้วมันไม่มันมันไม่อยากได้อะไรลนะ ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่ามันไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าไม่มีความสงบมันใจก็ยังหิวอยู่เนี่ยมันก็เอา่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่หวังว่าคงจะไม่ไม่ซ้ํารอยหวังว่าประวัติศาสตร์เขาไม่ซ้ํารอยหรือถ้าซ้ํารอยก็อาจจะทําใจได้ก็มังเพราะเคยเคยทําใจมาแล้วก็ได้คนเราถ้ามันมันเจ็บครั้งหนึ่งแล้วมันอาจจะไม่เจ็บใช่ซ้ำซ้อนก็ได้ แต่ว่ามันยังเลิกไม่ได้มันยังอดไม่ได้ mm hmm. ก็เอาตอนนี้เอาก่อนแล้วถ้าเกิดเลิกกันก็อาจจะไม่หนักนะ้ำเหมือนครั้งแรกแต่ถ้าบ่อยๆเข้ามันอาจจะเบื่อได้ถ้าเจอบ่อยๆเข้าเจอปัญหาเดียวบ่อยๆเข้าต่อไปก็ว่าไม่เอาดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าไปปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบ อันนี้แหละเป็นความสุขแท้จริงที่พึ่งแท้จริงไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักรักษามันด้วยปัญญาถ้ารักษาด้วยสติสมาธินี่ถ้าวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิเดียวมันก็หายไปันะี้าเราภาวนาไปรเรื่อยแล้ว แล้วมันมีอื่นแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจก็อยู่กับพุทโธไปอยู่ก็มีเทคนิคให้มันยังคงอยู่กับพุทโธนอกจากทีทีแล้วก็แล้วแต่เราลองค้นหาดูเนยแต่ละคนก็ต้องหาเทคนิคของตัวเองข้อสาคัญก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันมันมาชวนคุยก็อย่าไปคุยกับมันคุยกับพุทโธพุทโธไปอาจจะเป็นเป็นพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่ก็ได้ อันนี้อะไรที่เราจะต้องจดต้องจํามากขึน้นลองนับไปด้วยก็ได้พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามถ้ามันพุทโธพุทโธไปเรื่อยเรืยมันจะเป็นอัตโนมัติไปนวะมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่จดจอ่อแต่ถ้ามันต้องนับมันจะต้องจดจออ่อหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสามแล้วนะสี่แล้วนะก็ได้ าทางบ้านนั่นก็ได้ครับคำถามจากทาง Facebook l ล v e นะครับคำถามแรกจากคุณฤทธิ์นะครับปัญหาของคนคือไม่เห็นคุณค่าของความสุขใจอันแท้จริงของพุทธโธและพุทธศาสนาคงจากบุญบารมีที่สะสมมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าเรามีวิธีทำให้เขาเห็นคุณค่าพุทธโธ ได้เลยใหม่ครับผมเราทำตัวเราให้เห็นก่อนเถิดถ้าเรายังเห็นกาแฟเห็นขนมนมเนยมีคุณค่ากว่าก็คุณต้องทำตัวของคุณให้เห็นก่อนคุณไปบวชก่อนคุณไปบวชแล้วเดี๋ยวเขาก็ตามคุณไปเองเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปบวชก่อนพอบวชแล้วพอบรรลุแล้วทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็ไปบวชตามกันหมดเช่ไหมแม่ก็ไปบวช ลูกก็บวชถ้าเราไม่ทำตัวเราเป็นตัวอย่างเราพยายามพี่จะไปสอนคนอื่นก็ไม่ฟังเราเหรอกแล้วมึงทำไมไม่บวชน่ะใช่ไหก็ทำตัวเราให้เป็นตัวอย่างก่อนอว่าเราเห็นคุณค่าของธรรมจริงๆเราตัดสิ่งต่างๆทั้งหลายได้หมดแล้วเราไปบวชไปหาธรรมอย่างเดียวแล้วถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะประทับใจเองเขาก็จะตามเราเอง คำถามจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับการที่ชาตินี้เราเริ่มปฏิบัติธรรมเพื่อหวังหลุดพ้นแต่เราตายก่อนจากสำเร็จแล้วเราต้องตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรเพื่อให้กลับมาปฏิบัติต่อในชาติหน้าแล้วเราจะมีเหตุปัจจัยใดให้เรากลับมาปฏิบัติต่อจนหลุดพ้นได้ครับ อ๋อเราปฏิบัติถึงไหนเราก็ปฏิบัติต่อเวลาเรากลับมาเกิดใหม่มันเป็นอตนัตโนมัติไม่ต้องไปตั้งจิตอธิษฐานเข้าใจไหมถ้าเรานั่งสมาธิได้กลับมาชาติหน้ามันก็มานั่งต่อถ้ามันเลิกกินเหล้าได้ชาติหน้ามันก็ไม่กลับมากินเหล้ามันถ้าเราทําอะไรได้แล้วมันก็จะติดไปเป็นนิสัยของเราต่อไปแต่มันก็เปลี่ยนได้เช่นไปเกิดแล้วเกิด ไม่มีที่นั่งสมาธิมีคนชวนไปกินเหล้าอาจจะไปกลับไปกินเหล้าต่อก็ได้นอกจากว่าเรามีความหนักแน่นในเรื่องที่เราทํามามากน้อยเพียงไรถ้าเราหนักแน่นกับการนั่งสมาธิมากหนักแน่นกับการเลิกดื่มโทรามากไปเกิดที่อื่นก็จะมีใครมาชวนไปกินเหล้าก็ไม่ไปจะอยู่บ้านนั่งสมาธิเองอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังของ สิ่งที่เราทําอยู่ว่าเราทําได้มากน้อยเพียงไรมีน้ําหนักมากน้อยเพียงไรมันเป็นอัตโนมั ต, ติมันไม่ได้เป็นแบบที่เราจะต้องมาตั้งขอนูน่นขอนีห่หรอกมันขอไม่ได้คํถาถามจ้าคุณจัญยานะครับลมอยากกับลมละเอียดเป็นอย่างไรเจ้าค ะ, ะเวลาหายใจใหม่ๆ ม, มันก็มันก็อยาบมันแรงฮะ อพมมัันนเเบาละียดคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม น, นะครับการที่มีคนเข้าใจเราผิดแต่เราไม่ได้พยายามแก้ตัวแต่พยายามอยู่กับพุทโธไปเวลาเรารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเวลาคนพูดถึงเราโดยที่ไม่รู้ความจริงอยากทราบว่าคิดถูกไหมคะที่พยายามอธิบาย ที่ไม่พยายามอธิบายให้คนอื่นรู้มันก็แล้วแต่เรามันเป็นเรื่องของเราเรารู้ขตัวเราเราก็พอแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ก็เรื่องของเขาใช่ไหมคนทั้งโลกยเยอะแยะที่ก็ไม่รู้แหม้หมีปัญหาเลยใช่มหม mm hmm. อย่างั้นก็ต้องไปอธิบายให้คนทุกคนในโลกนี้เจอใครก็ต้องไม่อธิบายว่าฉันเป็นอย่างนี้นะทําไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ mm hmm. คุณก็ตายทั้งนั้นแนหะ mm hmm. ถ้าคุณโวแต่จะมาคอยอธิบายให้คนอื่นเขาเฟัง mm hmm. นอกจากว่าเข้ามาถามกา็มีโอกาสก็อธิบายก็ฟังได้เช่นเขาได้ยินได้ฟังว่าเธอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็มาถามเราเราก็อธิบายไปแต่ถ้าคุณเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจจะฟังคำอธิบายของเราก็อยากไปเสียเวลาอธิบายมันเขาจะคิดยังไงมันก็ห้ามก็ไม่ได้อย่างมากเขาก็ไม่ชอบเราเกลียดเราก็ไม่คบค้าสมาคมกับเราก็เท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ขอข้าวเขากิกนไม่ใช่เหรอใช่ไหมอ่า คำถามข้อต่อไปจากคุณสมโชในชีวิตประจำวันต้องทำงานในขณะที่เราพุโทโธไปนั้นในบางจังหวะเราต้องใช้ความคิดไปในการทำงานทำให้ปฏิบัติขาดความต่อเนื่องเป็นช่วงๆซึ่งในความรู้สึกถ้ายังอยู่ในทางโลกมันไม่ง่ายเลยครับใช่ก็เหมือนขับรถใต้ทางดวง่วนบนทางดวง่วนเนี่ย แต่กดถใต้ทางด่วนมันก็มีสีแยกมีรถติ ด, ดรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถกลับรถเนี่ยมันก็วิ่งไปตะกุกตะกักไปแต่ถ้าอยู่บนทางด่วนมันก็วิ่งไปรวดเดียวก็ถึงเห็นถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องไปบวชขึ้นการบวชนี่เป็นการขึ้นทาง ด, วด่วนไม่มีเรื่องอะไรต้องมายุ่งแต่ถ้ายังต้องทำงานต้องเลี้ยงครอบครัวต้องมีอะไรต่างๆนี่มันก็มีเรื่อง ที่จะทําให้ันปฏิบัติไม่ได้อย่างต่อเ น, นื่องคาถามจากคุณณโมนะครับสังคมที่อิจฉาริษยาเบียดเบียนกันแกล้งกันให้วางใจอย่างไรเจ้าคะแต่คนที่ชอบกั่นแกล้งแทงข้างหลังอ๋อเคเป็นเรื่องธรรมดาของโลกะโลกนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปคนดีก็มีคนไม่ดีก็มี ถ้าไปเจอคนไม่ดีก็หลบได้ก็หลบเหล็กได้ก็เห ล, หล็กห ล, หลบไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปเหมือนขับรถเน่ยบางทีก็ถนนว่างบางทีถนนก็ไม่ว่างเราก็ขับไปทำใจให้อยู่กับความจริงมันเจอความจริงมันเป็นยังไงก็อยู่กับมันไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณฝนนะครับข้อที่หนึ่ง ถ้าเราผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเผลอคิดว่าลูกเราจะแข็งขาดจะเกิดไหมคะเหมือนแม่แช่งลูกหรือเปล่าแต่ไม่ได้ตั้งใจก็อลองพิสูจน์ดูเลยลองดูเลยว่ามันเกิดจริงหรือเปล่าข้อที่สองมีคนถือน้ำพระหรือถวายอาหารเราเผลอคิดเหมือนเดิมว่าลูกเราจะโดนรถชนจะเกิดไหมคะ อะไรจะเกิดมันก็เกิดทำมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันไม่ได้อยู่ที่เราคิดแล้วไม่คิดหรอกถ้าคิดว่าเรารวยมันก็ต้องรวยถูกไหมคิดว่าเดี๋ยวต้องถูกงวดนี้ต้องถูงราวันที่หนึ่งแล้ววะรู้สิมันจะเกิดไหมถ้ามันเกิดก็ความคิดของเราก็วิเศษนั่นีหลสามารถสั่งให้เกิดอะไรได้ทุกอย่างอาการอย่างนี้เ อ, อใช้คุ้งซ่านไหมครับอาจารย์ มันโง่เขาเบาปัญญามไม่มีเหตุไม่มีผลในฟุง้งซ่านไม่มีไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดตามหลักเหตุหลักผลไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลคำถามจากคุณรัศมีการนั่งสมาธิจิตรวมแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับเพื่อให้มันรวมนานๆนักรวมบ่อยๆ จนชำนานสามารถรวมได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาทุกกับอะไรก็ไปนั่งสมาธิรวมปั๊บมันก็หายทุกข์พอเราทํานานทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปก็หัดมาใช้ปัญญาเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าสมาธิใช้ปัญญาดับความทุกข์ได้เลยคําถามจะคุณปลายฟ้าคุณพ่อเริ่มยอมฟังธรรมเริ่มสนใจหาอ่านจากที่ลูกๆแปะ หน้าจอเฟซขอพระอาจารย์เมตตาให้แง่คิดคุณพ่อเวลานี้นับถอยหลังเพราะอยู่ในออกซิเจนพูดไม่ค่อยได้แต่ยังเปิดเฟซอ่านที่ลูกพยายามแปะๆรรมะง่ายๆอยากแค่ให้มีที่ยึดเหนียวเมื่อจะต้องจากสังขารเจ้าค่ะอาจจะช้าไปนิดเพราะท่านมีประสบการณ์ตรงกับผู้ห่มเหลืองแต่มิใช่พระจริงๆ ทำไม่ดีท่านเลยไม่เชื่อถือกับขอเมตตาคิดว่าท่านฟังอยู่เวลานี้ก็พยายามยึดพระธรรมคําคสอนพพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็แล้วกันพยายามอ่านบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมอ่านแล้วทาให้ใจสบายทําให้ใจสงบเวลาไปก็จะไปดีถ้าไม่อ่านเดี๋ยวกิลเลสมันก็เข้ามาพาเราไปคิดให้เราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา พยายามอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วก็หัดทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปอย่าคิดอะไรทำสองอย่างทำใจให้สงบเวลาไม่ได้ทำใจให้สงบก็อ่านอ่านหนังสือธรรมะไปคำถามจะกุลทันวรินนะครับคำว่าผู้รู้และผู้ถูกรู้คืออะไรคะ ร่างกายก็คือผู้ถูกรู้ผู้รู้ <in> <ร Gün>ก็คือใจใจรู้ว่ามีร่างกายผู้ถูกรู้กับผู้รู้เป็นคนละคนกันผู้ถูกรู้นี่ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ผู้รู้นี้ไม่ได้ตายไปกับผู้ถูกรู้ให้แยกว่าเราอยู่ที่ผู้รู้เราไม่ได้ตายไปกับผู้ถูกรู้ผู้ถูกรู้ไม่ใช่เราคือร่างกายและสิ่งต่างๆที่เราไปรู้ รู้คนนั้นรู้คนนี้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องต่างๆสิ่งต่างๆนี้มันเกิดแล้วต้องดับไปหมดแต่ผู้รู้ตัวเดียวที่ไม่มีวันดับไปกับผู้ที่ถูกรู้ยันไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่ที่ที่ถูกรู้ต้องรู้ว่ามันต้องดับเกิดมาแล้วมันต้องตายให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วใจจะได้ไม่ไปทุกข์ไปกับมันคําถามจากคุณเมลพัทนะครับ พระอรหันต์เมื่อกายดับแล้วจิตอยู่ที่ใดคะจิตก็อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์จิตไม่ได้ไปไหนจิตก็อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ส่งสัญญาณมาเชื่อมกับร่างกายพอร่างกายตายไปการเชื่อมต่อกับร่างกายนั้นก็หมดไปก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ต่อไปพระอาจารย์ครับพระอรหันต์เมื่อไปอยู่ในพานิพาแล้ว การที่ยังมียังม า, มาสอนศิษย์อยู่นะครับมันทำไมท่านถึงยังมาครับทไมมันอาจจะเป็นกรณีพิเศษมันอาจจะมีความผูกพันกันมาในอดีตชาติไปมีบุญมีคุณต่อกันเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปหาแม่ในสวรรค์พอคิดถึงแม่แรักเคารพแม่อยากจะช่วยเหลือแม่ สมมติว่าคุณต่อกัเรามีบุญคุณกันเกิดเราไปเป็นผ้าหางตายไปลราอาจจะทรงจิตมาหากันเฉพาะคนอันนี้เฉพาะบุคคลไม่ได้แบบทั่วไปต้องมีความผูกพันกันเป็นกรณีพิเศษหลวงปู่ม่านท่านบอกเวลาท่านนั่งสมาธิท่านมีพ้าอารหรันมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแสดงว่าชาติก่อนท่านอาจจะมีอะไรกันมาอาจจะเป็นพ่อลูกกันมาแล้ว หรือมีความมีบุญมีคุณกันมาก็ได้มันก็ทําให้คิดถึงกันผูกพันกันแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ไม่ไปหาถามหมดครับอาจารย์อ่ดีวันนี้ไม่ต้องพูดมากวันนี้ก็พูดเยอะพูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เปิดเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็พูดกันเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหม